คือที่พบนี่เพราะว่าเวลาแพทย์จะต้องทําการต่อตัวอ่อนเช่นระยะที่เป็นสีเซลล์เป็นตัวอ่อนนั้นมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะใส่เข้าไปในโพรงมดลูกเราก็จะทิ้งไปถ้าถือว่าตัวอ่อนสี่เซลล์เป็นมนุษย์แล้วก็เท่ากับเป็นปนาณาติบาตหรือเอาตัวอ่อนนั้นมาทําการศึกษาวิจัยแล้วตัวอ่อนนั้นตายไปจากการทดลองก็เช่นกัน การชี้ชัดนี้คงต้องช่วยกันเพราะท่านให้หลักไว้เป็นกลางๆคือบอกว่าองค์ประกอบสามอย่างประชุมพร้อมมาดาอยู่ในฤดูฝ่ายมาดากับฝ่ายบิดาบรรจบกันแล้วก็มีคันทภะเข้าไปตั้งหมายความว่าคันทภะก็อาศัยการบรรจบกันขององค์ประกอบฝ่ายมาดากับฝ่ายบิดานั่นแหละจึงเข้าไปตั้งเข้าไปอยู่ มองดูตามตัวอักษรล้วนๆก็มีแต่ว่าองค์ฝ่ายบิดากับองค์ฝ่ายมารดาผนวกกันองค์สองนั้นผนวกกันเมื่อไรขันทภา ก, ก็เข้าไปตั้งไม่น่าจะต้องรอการไปฝังตัวที่ผนังมุดลูก